มาฟังเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลกันหน่อยวันนี้นะครับเรื่องปุณณะเสรษฐีครับผู้ไถานาพลิกผื้นดินเป็นทองคําในสมัยพุทธกาลในมีชายยากจนคนหนึ่งชื่อในปุณณนะอาศัยอยู่ในกรุงราชครื้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นคนเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญในเบื้องต้นชีวิตจวบแสนจะลำบากยากจนต้องรับจ้างเขาทํางานใช้แรงกายของตัวแรกทรับเพื่อนํามาเลี้ยงดูครอบครัว แต่ว่าหัวใจของเขานั้นงดงามยิ่งนักสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลเป็นความดีเขาจะอาสาท ร, รอย่างไม่มีเงื่อนไขทีเดียวเขาจึงเป็นผู้รู้จักของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและพระมนาจารย์ทั้งหลายผู้มีธรรมทั้งหลายต่างก็รู้จักเขามีควา ม, มเมตตาต่อเขาแต่ที่ดีเหนืออื่นใดก็คือเขามีภรยาที่เป็นบัณฑิตมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเสมอกันกับผู้เป็นสามี และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานายปุณณะได้อาศัยทำงานเป็นผู้รับใช้อยู่ในบ้านของสุมณะเศรษฐีซึ่งเป็นเศรษฐีประจำกรุงราชครืเพื่อเลี้ยงชีพของตนและครอบครัววันหนึ่งเป็นวันนักขัดต ร, เริเวประชาชนต่างแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยสดงดงามแล้วก็เล่นสนุกสนานรื่นเริงกันถึงเจ็ดวันท่านสุมณเศรษฐีได้ถามนายปุณณะว่า จะหยุดงานเพื่อจะไปร่วมเล่นรื่นงเริงครั้งนี้หรือเปล่าหรือว่าจะรับจ้างทํางานเช่นทุกวันได้ปุณณะก็ตอบว่าเจ้านายครับธรรมดาการเที่ยวเล่นสนุกสนานนี่ย่อมเป็นความต้องการของคนมีทรัพย์แต่ว่าในเรือนของผมแม้ข้าวสารที่จะต้มเป็นข้าวต้มเพื่อรับประทานในมื้อเช้าวันพรุ่งนี้ยังไม่มีเลยกับผมจะไปเที่ยวเล่นได้ยังไงหากผมได้โคสักตัวผมก็จะไปไถนาครับ ท่านเศรษฐีก็เลยมอบโคคู่หนึ่งให้ในายปุณณะไปในครั้งนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็สำรวจพิจารณาดูว่าผู้ใดที่ควรจะสงเคราะห์ได้คือเป็นผู้มีกิเลสในดวงตาเพียงน้อยพอที่จะรับแสงสว่างคือธรรมะเข้าไปกล่อมกลาวจิตใจได้บ้างรวมไปถึงใครที่เคยสร้างบุญกุศลไว้ในอดีตชาติสมควรที่ท่านจะไปโปรด เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของบุคคลนั้นท่านก็พิจารณาเห็นนายปุณณะคนนี้ละที่จะได้รับบุญใหญ่ในครั้งนี้พระสารีบุตรผู้เป็นอัคารสาวกเบื้องขวาจึงได้อุ้มบาตออกจากที่พักไปยังสถานที่ที่นายปุณณะประกอบการงานอยู่แล้วก็ยืนอยู่ใต้พุ่มไม้ไม่ห่างจากบริเวณที่นายปุณณะกำลังไถนาอยู่เมื่อนายปุณณะเห็นพระสารีบุตรเถระ ก็รู้ว่าองค์พระอาหารหันต์จะสงเคราะห์ตนจิตก็เกิดความเลื่อมใสเขาก็เลยพักงานไถในเวลานั้นเข้ามาแสดงความเคารพต่อพระสารีบุตรเพื่อดูว่าท่านประสงค์สิ่งใดเขาคิดว่าขณะนี้ยังเช้าอยู่ก็เลยทำไม้ชําระฟันคือไม้สีฟันเนี่ยถวายเมื่อพระเทระรับแล้วท่านจึงมอบบาทแล้วก็ผ้ากรองน้ำให้เขาในปุณณะก็เอาบาตนั้นไปใสน่น้านามาถวาย พระสารีบุตรเทระชำระฟันและล้างหน้าเสร็จแล้วท่านได้มองเห็นด้วยญาณวิเศษว่าภรรยาของนายปุณณะได้ทำอาหารเสร็จแล้วและกำลังจะนำมาให้สามีที่ทํางานอยู่ท่านก็ลุกขึ้นเดินสวนไปเพื่อโปรดนางเมื่อนางเห็นพระเทระก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างเหลือประมาณปรารถนาจะทำบุญกับพระสารีบุตรภรรยาของนายปุณณะก็คิดว่าบางวันนียเราปรารถนาจะทาทานแต่ก็ไม่มีธยาทาน พระต้องหาเช้ากินข้าบางวันมีทยทานแต่ก็ไม่มีพระมาโปรดตอนนี้ทยทานของเรามีพร้อมพระท่านก็มาโปรดแล้วเราควรทําบุญในวันนี้และแล้วด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระเถระอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องนางก็น้อมถวายอาหารมื้อนั้นแด่ท่านด้วยความเปรมปรีขณะกําลังใส่บาตรนั้นภรรยาเขาในปุณณะก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ภาษารีบุตรได้ยินว่า ด้วยบุญที่ได้ถวายทานในครั้งนี้ขอจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าพ้นจากชีวิตยากจนในโลกนี้ด้วยเถิดเจ้าข้าพระเถระก็ให้พรสั้นๆว่าขอให้โยมสมปรารถนาในทุกเรื่องนะภระยากในยปุณณะแสนปลื้มปิติเป็นล้นพนนางเบิกบานใจมากไม่กังวลว่าสามีจะรอคอยด้วยความหิวหรือเปล่านางก็รีบกลับบ้านเพื่อไปเตรียมอาหารให้สามีที่รอคอยอยู่กลางทุ่งนาใหม่อีกครั้งหนึง่ง ขณะเดียวกันที่ทุ่งนาในปุณณะกําลังเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานเวลาก็คล้อยไปเรื่อยๆก็ยังไม่เห็นภรยาเอาอาหารมาให้ก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติภรยาของตนไม่เคยผิดเวลาภรยาในปุณณะเมื่อเตรียมอาหารรอบใหม่เสร็จก็รีบนํามาที่ทุ่งนาเมื่อนางเห็นสามีก็ส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนแล้วก็พูดกับสามีด้วยวาจาที่ไพเราะหาน้ําหาท่าให้ดื่มแล้วก็รีบจัดอาหารให้รับประทานเสร็จแล้วก็บอกว่าวันเนี้ที่ฉันนําอาหารมาช้า ก็เพราะว่าขณะที่นำอาหารมาให้พี่เนี่ยฉันได้เจอพระกุณเจ้าระหว่างทางผิวพันธ์ท่านเปล่งปลั่งผ่องใสเลือเกินฉันเห็นแล้วอยากจะทำบุญก็เลยเอาอาหารที่เตรียมมาใส่บาตร ท, ทาบุญไปจนหมดเสร็จแล้วฉันก็รีบกลับไปทำอาหารใหม่อีกรอบหนึ่งขอให้พี่ตั้งจิตอนุโมทนาด้วยนะนายปุณณนะผู้เป็นสามีแม้ว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยมากหิวมากแต่รันได้ยินข่าวการประกอบบุญกุศลนั้นก็ร่วมอนุโมทนาสาธุ แล้วก็บอกดีแล้วน้องเ อ, อ๋ที่ได้ใส่บาทพระนะเพราะเมื่อสักครู่นี้พี่ก็ถวายน้ำแล้วก็ไม้สีฟันแด่ท่านไปเช่นเดียวกันด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสกระแสทานแห่งบุญจึงส่งต่อมาถึงนายปุณณะทันทีหลังจากกินอาหารที่ภรรยานำมาให้เสร็จแล้วก็นอนหนุนตักภรรยาเพื่อพักผ่อนด้วยความสบายใจสักครู่พอลืมตาขึ้นมองดูนาที่ไถไปเมื่อเช้าปรากฏว่าพื้นดินกลายเป็นทองคาไปหมด ในปุณณ์นนมองสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าด้วยความตกตะลึงแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองก็ถามภรรยาว่าเธอเธอเห็นไหมนะั่นะ่ะอะไรนะบริเวณที่พี่ไถานาเมื่อเช้ามันกลายเป็นทองคำเหลืองอาร่ามไปหมดแล้วภรรยาก็มองเห็นทองคำเช่นเดียวกันก็เอาก้อนดินที่กลายเป็นทองนั้นมาทุบกับงอนไถถึงได้รู้ว่าเป็นทองคำแท้แน่นอนทั้งสองต่างก็รู้สึกปิติในความมหัศจรรย์แห่งบุญที่สามารถพลิกดินเป็นทองคำได้ นายปุณณะชวนภรยานำเรื่องดังกล่าวไปกราบทูลพระราชาเพื่อส่งคนไปขนทองทั้งหมดเข้าสู่ทองพระคลังหลวงพระราชาทรงรับสั่งให้เทียมเควียนไปขนทองจากนาของนายปุณณะพอพวกราชบุรุษเห็นทองคำมากมายต่างก็รู้สึกอัศจรรย์ใจก็กล่าวด้วยความไม่รู้ว่าเออนี่เป็นทองคาของพระราชานะแล้วหยิบก้อนทองขึ้นมา ปรากฏว่าทองสุกปรังที่ปรากฏต่อหน้ากลายเป็นก้อนดินทันทีพวกราชบุรุษตกใจมากทั้งเกรงกลัวพระราชอาญาโดยโทษฐานที่ทําให้ทองคํากลายเป็นดินพระราชาจึงรับสั่งว่าให้พวกท่านจงพูดว่าทองคําเหล่านี้เป็นของนายปุณ น, นะเมื่อพวกราชบุรุษกลับไปดูใหม่แล้วก็พูดตามที่พระราชาตัดสั่งก้อนดินที่ถือขึ้นมาก็ยังเป็นทองเหมือนเดิมพวกเขาก็ช่วยกันขนทองไปไว้ที่พระลานหลวง กองสูงเท่าต้นปานพระราชาโปรดให้เรียกพ่อค้า ม, มาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ตรัสถามว่าเ อ, อในตระกูลของใครมีทองคํากองสูงขนาดนี้บ้างไหมเมื่อได้รับคําตอบว่าไม่มีผู้ใดมีทองมากขนาดนี้พระองค์ก็พระราชาทานทองคําทั้งหมดคืนแก่นายปุณณะแล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีโดยขนานนามใหม่ว่าปุณณะเศรษฐีนายปุณณะแม้ว่าได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ได้ประมาท ฉลองตำแหน่งเศรษฐีด้วยการจัดงานมงคลโดยไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมาถวายพระตาหารตลอดเจ็ดวันในวันสุดท้ายพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาในบุญในทานของปุณณเศรษฐีและครอบครัวเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านเศรษฐีภรยาและลูกสาวต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสูดาบันเป็นผู้เลื่อมใสไม่ครองแคลนในพระรัตนตรยัย ได้ตั้งใจสะสมบุญจนตลอดชีวิตจากเรื่องนี้ย่อมพิจารณาเห็นว่านายปุณณนะนั้นเป็นผู้มีบุญแล้วก็มีใจขวนขวายในบุญกุศลอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นผู้มีความขยันขันแข็งช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิดทําให้เป็นที่รู้จักของผู้มีธรรมการรู้จักกับผู้มีธรรมนั้นถือเป็นทางสว่างคือจะมีแต่ผู้เห็นดีเมื่อทําดีแล้วก็ยังมีผู้ชี้แนะชีวิตไปสู่ทางที่ดีเมื่อชีวิต ร่วมทางกับบัณฑิตก็ย่อมนําแต่ผลดีมาสู่ชีวิตความขยันขันแข็งนั้นได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือเมื่อถึงวันหยุดในปุณณะผู้มีฐานะต่ําต้อยและมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวไม่ให้อดอยากก็ยังเพียรทํางานหนักไม่ยอมหยุดงานเพื่อจะได้เงินมาซื้อข้าวสารตรงนี้เป็นความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นําครอบครัวที่เขากระทําด้วยหัวใจที่หนักแน่นเสียสละสมกับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแม้ว่าจะยากลําบากเพียงไหน เขาก็ยังต้องหาเงินเพื่อหาไรายได้จูนเจือครอบครัวไม่ให้อดอยากคุณธรรมข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เป็นพ่อและเป็นสามีหากผู้นำครอบครัวไม่มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวแล้วก็จะเกิดผลเสียตามมาอย่างมากมายเหลือลน้นแต่ถ้าครอบครัวใดมีผู้นำครอบครัวที่ดีไม่ไฝ่ในอบายามุขทั้งมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวครอบครัวก็จะอยู่รอดได้แม้ว่าในยามลาบากอย่างเช่นที่ในปุณณนะ ได้นำพาครอบครัวให้อยู่รอดได้ในการหลักครั้งนั้นอีกทั้งปุณณะเองก็มีภรรยาที่ดีจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของเศรษฐีทั้งหลายนั้นถ้าหากว่าได้คู่ครองเป็นหญิงที่มีสติปัญญาล้ำเลิศก็จะเสริมบา ร, รมีของผู้เป็นสามีเป็นยิ่งนักเพราะหญิงนั้นเปรียบดังช้างเท้าหลังหากเท้าหลังไม่เข้มแข็งเท้าหน้าก็ไม่สามารถจะก้าวต่อได้อย่างทรงพลังการเลือกคู่ชีวิตนั้นจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง หากไม่พิจารณาตรีตองให้ดีการบ้านการเรือนและการดำเนินชีวิตนั้นก็จะพลอยมีปัญหาไปด้วยจึงควรจะเลือกหญิงที่มีคุณธรรมเสมอกันแล้วก็มีหัวใจดีงามดูแลการบ้านการเรือนและครอบครัวด้วยปัญญาไม่ตัดสินและดำเนินการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์อันจะไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่จะเป็นการสะสมปัญหาเพิ่มพูนให้วุ่นวายมัวหมองอีกด้วยทั้งนี้ หญิงผู้เป็นภรรยาแม่บ้านเนี่ยยังจะมีหน้าที่ดูแลลูกและบ้านเรือนให้อยู่ในความเรียบร้อยอีกด้วยดังจะเห็นได้ว่าการพิจารณาสงเคราะห์ของภาษารีบุตรเถระนั้นท่านได้พิจารณาคู่ชีวิตที่มีบุญบา ร, รมีพร้อมถึงกันด้วยตัวข้าในปุณณะนั้นเป็นคนขยันขันแข็งและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและภรรยาของเขานั้นก็เป็นผู้หญิงที่มีปัญญาและศรัทธาในธรรมเสมอกัน เมื่อพระอาหารหันต์ไปโปรดทั้งสองต่างก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ยินดีให้ทานพร้อมถึงกันไม่ได้มีความขัดเคืองขัดแย้งกันแต่อย่างใดโดยในปุณณะนั้นก็ได้ทําไมส้สีฟันพร้อมกรองน้ําให้พระสารีบุตรชําระฟันและล้างหน้าส่วนผู้เป็นภรรยานั้นเมื่อเห็นพร ะ, ะ, พระเถระยือนอยู่ต่อหน้าก็เกิดศรัทธาอยากจะทําบุญด้วยจิตศรัทธามหาศาลและเมื่อทําบุญแล้วก็มีหัวใจที่ซื่นบานไม่ได้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ แสดงว่านางได้สละความตรณีที่เหนียวอันเป็นกิเลสออกไปจากหัวใจของนางจนหมดสิน้นเพื่อที่จะทำบุญกับภิกษุผู้เป็นอรหันต์และเมื่อนาง น, นำอาหารเพื่อให้สามีที่กำลังทำงานหนักในเวลาที่เช้ากว่าปกติสามีของนางก็ไม่ได้คลางแคลงใจยิ่งานางเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนก็เป็นเสมือนน้ำเย็นที่ชโลมใจสามีด้วยบุญที่ทั้งสองกระทาร่วมกันนี้เกิดจากพลังศรัทธายิ่งใหญ่บุญก็บังเกิดผลอย่างรวดเร็ว บริเวณที่ตนไถนาก็ปรากฏขึ้นเป็นทองคําซึ่งเป็นทองคําที่ผู้อื่นไม่สามารถจะครอบครองได้เพราะว่าทองคํานี้เกิดเพราะบุญบา ร, รมีของนายปุณณะส่งให้ในายปุณณะเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทานของนายปุณณะและภรรยาจะให้พภารณิสง์มหาศาลไม่ได้เลยหากขาดผู้รับที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นพระอรหันต์ดังที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องอนิสงค์ของการถวายทานไว้ในตอนหนึ่งว่า การถวายทานกับพระอรหันต์เพียงองค์เดียวยังมีผลมากกว่าให้ทานแก่พระอนาคามีหนึ่งรอองค์การถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีผลมากกว่าถวายทานแก่พระปัจเจกพรพุทธเจ้าร้อยองค์การถวายแก่สงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานหรือการถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง มีผลมากกว่าถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งร้อยองค์ครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินพระสวดมนต์ตอนที่เขาทำบุญบ้านบ้านไหนบ้านนั้นสวดคาถาพระปริศข์่คาถาพระปริศน์นี่เป็นคาถาป้องกันภัยภัยอันตรายต่างๆซึ่งจะพึงมีมา้กับเจ้าของบ้านนี่ นะครับพระท่านก็ส า, าทยายม น, มนมนชนิดนี้สวดกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระปริษบทนี้ก็ถือกันว่านอกจากพระแล้วนะโยมคนไหนก็แล้วแต่ได้ท่องบนเป็นประจำทุกค่ำเช้ า, ชาแล้วส่งผลให้แคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีหลายบทแต่บทหนึ่งก็คือบทเขาเรียกโมระปริษนะ ที่พระท่านสวดบอกอุเทตะยันจากกุมาเอกราชาฮริสวรนกนั่นแหละบทนี้สำคัญเหมือนกันสำคัญก็เพราะว่ า, าสมัยหนึ่งที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันเป็นวัดที่ท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้านี่ได้ทรง รารบถึงภิกษุรูปหนึ่งคือว่าภิกษุรูปนี้ไปเจอผู้หญิงก็คนแล้วเกิดความรักใคร่พอใจอยากจะสึกไปเป็นคราวาสอยากจะมีเมียพระบรมศาสด า, สดาทรงทราบแล้วก็เรียกตัวเข้ามาแล้วก็ตรัสว่าธรรมดาของเพศตรงข้ามเนี่ยย่อมเป็นเหตุก่อให้เกิดความกำหนัดถึงนักปรารในการก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีใจดีใจหนักแน่นกว่าเธอก็ยังหลงเพราะได้ยินเสียงเพศตรงข้ามจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องเนี้ยให้พิสูจน์นี้ได้ฟังว่าที่กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีนกยูงทองตัวหนึ่งมีขนปีกสีเหลืองงดงามเหมือนทองคำนกยูงตัวเนี้เห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตัว เพราะว่าขนปีกเป็นเหตุเพราะว่ามีปีกเป็นทองก็พยายามบินข้ามเขาไปถึงสามชั้นจนกระทั่งถึงชั้นที่สี่ก็ขึ้นไปจับอยู่ที่ยอดเขาแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นพอเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเชา้าก็เปล่งคาถาอุเทตะยันจักกุมาเนี่ยนะเรียกคาถาโมระปริศอยากนั่นถึงได้บินเที่ยวไปหาอาหาร ขังกลับมาในเวลาเย็นก็กล่าวคาถายันจักกุมานี่อีกเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อสปปรรพสิ่งที่ทรงคุณอีกวาระหนึ่งคือตะวันขึ้นสวดครั้งหนึ่งตะวันตกดินสวดอีกครั้งหนึ่งนกยูงทองปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกคำช้าททำให้แคล้วคลาดปราศจากภัยได้เสมอมา ก็เพราะว่าเวลานกเนี่ยบินไปทางไหนแล้วแต่พวกแล้วพวกเครื่องดักเครื่องจับนี่จะระเนระนาดล้มไปหมดด้วยคาถาที่ว่าโมระปริเตเป็นคาถาป้องกันภัยในครั้งนั้นพระมเหสีของพระเจ้ากรุงพราณาศีก็ได้ทรงสุบินนิมิตว่าเห็นนกยูงทองกำลังจะแสดงธรรมนะ แต่ยังไม่ทันได้ฟังก็ตื่นบันทมขึ้นมาซะก่อนก็กราบทูลให้พระเจ้าพระนาศีทรงทราบ พ, พระองค์ก็ตรัสถามพวกพรามบอกว่านกยูงทองลักษณะที่ว่าเนี่ยมีไหมในโลกนี้มีไหมพวกพรามก็กราบทูลว่าตามตำราบ่งว่ามีอยู่แต่ว่าข้าพุทธเจ้าไม่อาจจะทราบได้ว่ามีอยู่ที่ไหนพระเจ้าพร ม, มทัตก็ให้มี ประดารัสตรัสใช้ให้คนทั้งหลายไปเที่ยวสืบเจาะแสวงหานกยูงทองตัวที่ว่านั่นนะเมื่อได้ทราบความว่ามีนกยูงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงก็ใช้ให้พวกนายพรานไปดักจับแต่ว่านายพรานนะ่ะไปพยายามจับอยู่ถึงเจ็ดปีก็ยังจับไม่ได้ด้วยเหตุว่าในเวลาที่นกยูงทองลงมาใกล้เครื่องดัก เครื่องดักเหล่านั้นถ้าเป็นชนิดขึงชนิดกลางก็จะล้มระเนระนาดลงไปเองดูเป็นที่น่าอัศจรรย์ท้งนี้ก็เป็นเพราะนกยูงทองตัวนี้ท่องคาถาโมระปริททั้งเช้าทั้งเย็นหรือคาถานกยูงทองนะเมื่อพระมเมหสีไม่ได้ฟังธรรมเทศนาของนกยูงทองดังพระประสงค์ตอนนั้นก็เสด็จที่วงคตฝ่ายพระเจ้าพรมทัตก็ให้รู้สึกขัดเคืองพระไทยไปเป็ลเกิน ก็ทรงจารึกแผ่นทองคำมาไว้เลยว่าถ้าผู้ใดไ ด, ได้กินเนื้อของนกยุงทองผู้นั้นก็จะไม่รู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายเสร็จแล้วพอพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วกษัตริย์องค์ต่ อ, ต อ, ต อ, ตอมาพอเห็นศิลาจารึกในแผ่นทองคำต่างก็ให้พวกนายพรานไปพยายามจับนกยุงทองตัวนั้นมาให้ได้แต่ว่าล่วงเลยไปถึงเจ็ดชั่วกษัตรแล้วกษัตรเจ็ดองค์แล้วก็ยังจับนกยุงทองตัวนี้ไม่ได้ จบจนถึงกระสัดองค์ที่แปดก็มีนายพรานคนหนึ่งคนนี้ฉลาดนํานางนกยูงตัวหนึ่งไปล่อนกยูงทองเนี่ยให้ลงไปที่เชิงเขานกยูงทองพอได้ยินเสียงนางนกยูงร้องก็หลงไหลไปด้วยอํานาจแห่งกิเลศก็ลืมระลึกนึกถึงมนุ์อย่างที่เคยปฏิบัติมาก็บินลงไปอ่าแล้วถลาลงไปติดบ่วงที่นายพรานดักไว้ ในพรานก็นำนกยูงทองเนี่ยไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินพอแลเห็นนกยูงทองก็ทรงมีพระราชหฤุไทยินดีเหลือเกินก็จัดว่านกยูงทองเอ้ยเห็นทีเจ้าจะต้องถึงที่ตายซะแล้วเพราะเราต้องการจะกินเนื้อของเจ้าเพื่อให้มีอายุยืนตามคําที่ได้จารึกไว้ในแผ่นทองนกยูงก็กราบทูลบอกว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงเชื่อถือจารึกนั้นเลย เพราะถ้าเป็นจริงอย่างคำที่จาดึกแล้วตัวข้าพระองค์เองก็คงจะต้องไม่ตายขอพระองค์อย่าทรงทําสิ่งที่เป็นบาปเลยข้าพระองค์น่ยเกิดมาในกําเนิดของนกอันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่าเคยได้ทําบาปไว้แต่ปางก่อนเมื่อก่อนนี้ข้าพระองค์ก็เคยเกิดเป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองเนี่ยเวลาตายไปก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพอจุติจากดาวดึงก็ได้มาเกิดเป็นนกยุงทองอย่างที่พระองค์ทรงเห็นอยู่นี้ ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อขอให้ขุดลงไปในสระโบกขรณีจะพบรถแก้วของข้าพระองค์นี่จมอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วกษัตริย์ก็โปรดให้คนขุดลงไปในสระโบกขรณีจริงๆก็ได้รถแก้วขึ้นมาสมกับคําของนกยุงทองจึงโปรดให้ปล่อยนกยุงทองบินกลับไปสู่ที่อยู่ของตัวแล้วสั่งไม่ให้ผู้คนไปดักจับอีกต่อไป พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็สรุปบอกว่าพระเจ้าพราณาสีองค์ที่แปดในครั้งนั้นมาชาตินี้มาเป็นพระอนุ์ส่วนตัวนกยูงทองในชาตินั้นบัดนี้ได้กลับมาเกิดเป็นเราในบัดนี้เสร็จแล้วก็ทรงเทศสั่งสอนภิกษุรูปนั้นต่อไปอเพื่อจะให้เห็นถึงทุก ว่าตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้วเฉพาะ อ, อยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ลำบากเป็นพระไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะทุกข์พออยู่แล้วแต่วันนี้มันทุกคนเดียวยิ่งไปมีครอบครัวก็เท่ากับว่าเป็นการแบกทุกข์เพิ่มขึนมาแล้วยิ่งถ้ามีลูกมีหลานขึ้นมาอีกด้วยปองทุกข์ก็จะเพิ่มมากเข้าเกิดห่วงเกิดกังวลมากขึนยากที่จะละยาก ท, ท, ที่จะปล่อยวางได้ผลสุดท้ายทั้งเขาทั้งเรา ก็ต้องตายจากกันไปในที่สุดทรัพย์สมบัติที่แสวงหาไว้แทบเป็นแทบตายเอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวต้องทอดทิ้งไว้ให้คนอื่นเขาครอบครองกันต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จึงไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าเอาใจที่ไปยึดไปถือในสปปรรพสิ่งทั้งหลายว่าไอเนี่ยของเราไอนั่นของเราบ้านของเราที่ของเรารถของเราเงเกีของเรา ในเมื่อยิ่งยึดใจมันก็ยิ่งยุ่งเหยิงสับสนบวุ่นวายเร้าหมองกุนบัวอันนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆแล้วถ้าหากว่าสืบสาวเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าไอ้ที่เราเข้าไปยึดว่านั่นบ้านเรานั่นรถเรานั่นเสื้อผ้าเราอ่าที่ยึดก็เพราะมันอยากถ้าไม่อยากไม่ยึดอะใจอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ใจมันก็จะเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นทันทีนะ เขาถึงได้พูดว่าความดิ้นรนในอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราคิดนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกขมันทุกเพราะว่ามันไม่เป็นอย่างใจเราคิดนะเพราะฉะนั้นการดับความอยากแล้วทําลายความยึดถือในทุกอย่างเสียได้นี่จึงเป็นการดับทุกได้โดยแท้จริงเสร็จแล้วภิกษุรูปนั้นก็ได้กําหนดจิตพิจารณาตามไปก็ได้ บรลุพระอารหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลขั้นสูงในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุที่จะไม่หันคืนกลับไปสู่ความเป็นคารวาสอีกต่อไปท่านผู้ฟังการสวดมนต์เนี่ยนะก่อนอื่นต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการสวดมนต์เสีก่อนเป็นันดับแรก การสวดมนต์เนี่ยที่แท้เป็นการนารึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างคาถาโมราปริษไม่ได้พูดถึงเรื่องนกยูงเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นคาถาที่มีเนื้อความว่าอย่างนี้ครับเขาแปลว่าเนี่ยอุเทยตายันจากุมาเนี่ยนะพระอาทิตย์ผู้มีดวงจักษุผู้เป็นพระราชาเอกเป็นผู้มีสีดังทองคำเป็นผู้ทําแผ่นดินให้สว่างข้าพเจ้าขอนอบน้อม ดวงอาทิตย์นั้นขอพระองค์จงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เป็นสุขตลอดวันตลอดคืนพราหม์เหล่าใดที่รอบรู้ในธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าขอนอบน้อมพราหมณ์เหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมผู้พ้นจากกิเลสทั้งหลายขอนอบน้อมทุกสิ่งซึ่งเป็นเหตุให้พ้นกิเลส นี่มีเนื้อความอยู่แค่นี้เองไม่ได้พูดถึงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรเลยขออำนาจพระพุทธเจ้ามาอ่าแล้วขอบคุณพระอาทิตย์ผู้ส่องแสงสว่างขอบคุณพราหมณ์ผู้เป็นคณาจารย์สั่งสอนก็ศักศดิ์สิทธิ์ได้นะการสวดส่วนใหญ่ทั้งที่ฟังเป็นการแสดงถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งนั้นแหละนะงั้นการสวดมนต์โดยรู้คําแปล ก็มีภาษีดีดีกวา่าสวดไปโดยไม่รู้ความหมายแต่ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายการสวดมนุก็ยังนับว่าเป็นสิ่งมีประโยชน์เพราะเป็นเหตุทําให้จิตเกิดความสงบแล้วก็เป็นสมาธิและมีพลังด้วยนะเพราะจิตนี้มีความมุ่งหมายอ่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงขั้นต้นก็าตามการสาธยายมนคนรุ่นเก่านี้เขาเชื่อกันว่าจะมีอนุภาพคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้สวดได้ อย่างเช่นบทโมระปริศที่คุ้มครองตัวนกยูงทองนี่พญานกยูงทองสาทยายทุกค่ำทุกเช้ายังผลให้แคล้วคลาดจากการถูกจับมาได้โดยตลอดนะนัะ้นอาศัยความเชื่อมั่นเป็นพลังใจประกอบกับคุณธรรมที่เราผู้สวดเนี่ยอ่าได้พยายามทําทุกวันทุกวันนะเป็นผู้มีความกระตันยูเป็นผู้ทําบุญให้ทานอะไรอย่างเงี้ยคือความดีทุกอย่างในตัวเรา มาผสมผสานกันก็เกิดพลานุภาพที่จะดนบันดาลให้เกิดผลได้ตามใจปรารถนา